หลวงพ่อก็ได้เทศให้ฟังเกี่ยวกับพิธีปฏิบัติว่าทำอย่างไรจิตจึงจะสงบสมถะและวิปัสนาสมถะคือการทำใจให้สงบให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านส่งไปตามอำนาจสิ่งที่มากระทบ หรือมากระเทือนจิตใจเราก็ไม่หวั่นไหวจิตใจเราก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเราทำสมถะหรือทำสมาธิเป็นแล้วแต่ที่นี้การทำวิปัสสนาก็คือการ แยกแยะธาตุขันตัวตนของเรานี่แหละออกไปเป็นส่นสวนๆจนเห็นว่าไม่มีตัวตนอยู่ในส่วนไหนเลยให้เห็นในตัวตนของเรานี่แหละเรายึดเราถืออยู่ก็มีอยู่เรียกว่าอุปทานขัน์อุปทานขัน์ห้า หรือว่าอุปทานขันก็อันเดียวกันอุปทานขันห้าคือเรายึดเราถืออยู่หนึ่งรูปรูปของเป็นรูปประกอบริยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟ รูปเยประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟให้เราแยกออกไปส่วนอุปทานขันธ์อันที่สองคือเวทนาความรับรู้อารมณ์กระทบอารมณ์ เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเรียกว่าเวทนาเวทนานี่ก็เป็นเวทนาขันกองแห่งเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำาลิตภั จำธรรมารมด้วยใจสังขารคือความคิดนึกพูงแต่งอันคิดนึกพูงแต่งอยู่ภายในวิญญาณคือผู้รู้หรือตัวรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้เป็นนาม ในตัวของเราแยกแล้วแยกออกแล้วเป็นสองอย่างคือเป็นรูปกับนามรูปคงเป็นรูปนามคงเป็นนามเรายึดถือเพราะเราไม่เข้าใจเรายึดถือเพราะเราไม่ได้บรรลุมรรคผล ถ้าเราบรรลุมากผลเราจะรู้เลยว่าความยึดถือลดน้อยลงไปแค่ไหนท่านจึงให้พิจารณาตัวตนของเรานี่แหละแยกโอเป็นธาตุเป็นขันธาตุธาตุดินดินน้ำลม ไฟธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าตลอดถึงมันสมองศีรษะอันนี้เป็นส่วนดิน ส่วนที่เป็นน้ำก็น้ำดีน้ำเสล็ดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดก็อยู่ที่ตัวเรานี่เหมือนกันลมพัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นาธาตุลมลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นาธาตุอย่างหนึ่งเป็นกายอย่างหนึ่ง ไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่ไฟทั้งสี่อย่างรวมกันอยู่ยังไม่แยกกันเราก็ไม่ตายแต่ถ้าน้ำหมดไปไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำในร่างกาย น้ำในร่างกายไม่มีเช่นอย่างคนเป็นโรคอหิวาเ น, น้ำไม่มีน้ำหมดอันนี้ก็ตายเหมือนกันไฟในร่างกายหมดไปเห็นหนาวเกินไป ความอบ อ, อุ่นไม่พอเพียงก็ตายได้เหมือนกันเช่นพวกที่อยู่ในที่อากาศหนาวอากาศหนาวมากหนาวเกินไปร่างกายเรารับไม่ไหวไม่มีความอบ อ, อุ่นพอก็ตายได้เหมือนกัน เหตุที่จะให้ตายมีเยอะเหตุที่จะให้ตายเนะี่ยมีมากมีเกิดต้องมีแก่มีเกิดแก่เก็บตายถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่ในสุดก็ต้องเก็บใครได้ป่วยก็ตาย คนเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้น <c oughs> เกิดร้อยคนก็ตายร้อยคนไม่เกิดจึงไม่ตายที่ไหนไม่เกิดพระนิพพานไม่เกิดพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับอยู่เหนือสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ธาตุสี่ไม่ใช่กันห้า ไม่ใช่อายตหน้าสิบสองธาตุสิบแปดผู้ที่ถึงแล้วยอมรู้ด้วยตนเองว่าเราถึงแล้วเราพ้นแล้วจากการเรียน่ายตายเกิดจะรู้แต่ถ้าเราได้สดวรารบันเราก็ทราบในใจของเราว่าใจเราสงบเย็นสบาย แต่ก่อนเคยโมโหง่ายก็ไม่โมโหยังพออดพอทนได้อยูท่ทั่วไปก็สบายขึ้นจิตใจก็สบายขึ้นผู้ที่เป็นพระโสดาบันมาเกิดอย่างชาติที่สุดเกียชาติแต่ถ้ายังไม่บรรลุโสดาบันนี่การเวียน่าวตายเกิดในว่าแต่สงสารนี่ มากมายก่ยของนับกลับนับกันไม่ท้วนเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้นเนเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายที่ไม่ตายไม่มีก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นเราต้องทำความดีหรือว่าปฏิบัติธรรมให้ได้มากผลไว้เป็นกำไรของชีวิต เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เกิดมาได้ยากแสนยากกว่าจะได้เกิดปเป็นมนุษย์นี่ท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนเต่าน้อยตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลหลวงร้อยปีโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งหวังที่จะเอาหัว ส, สอดเข้า แอกน้อยที่ลอยอยู่ในกลางทะเลน่ะถ้าตาดีก็เขยังชั่วนี่ตาบอดแล้วเมื่อไหร่ละมันจะได้เอาหัวสอดเข้ารูแอกน้อยอ่ะกำหนดได้ยากไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันเป็นได้หลายร้อยหลายหลายพันหลายหลายแสน โผลขึ้นมาเน่กว่าจะเอาหัวไปสอดเข้ารูเอกน้อยนั้นยากแสนยากการที่คนมาเกิดในโลกนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยากมาเป็นคนก็มาได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นบุญพอที่จะเป็นคนได้ถึงได้มาเกิดเป็นคนบุญพอที่จะได้ไปสวรรค์ได้ถึงได้ไปสวรรค์ บุญพอที่จะให้ถึงมาขนนิพานมันถึงจะถึงไม่ใช่ว่า ง, ง่ายๆเฉกเป็นของง่ายๆอยากเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเกิดเป็นอย่างอื่นนั้นมากแต่เกิดเป็นขนน้อยดูที่บ้านหลังหนึ่งมีมี ม, มดมีปลวกเท่าไหร่มีขี้งกโกทุกแกเท่าไหร่เยอะแยะ แต่คนอยู่ในบ้านสองสามคนสี่คนห้าคนเ้อเองแต่ที่เป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่มากมายไก่กองมากมากมายโดยมากไปเป็นสัตว์ดิลสานไปตนกนรกเช่นอย่างพระเทวทัตเดี๋ยวนี้ ก่อซาตอตรูอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาเลยเป็นอันตรลกับนานแสนนานไม่ใช่ร้อยกับพันกับมันมากกว่านั้นถ้าเรียกว่าอันตราะกับนานมากเมื่อเรามาเกิดเป็นคนแล้วเราก็ ต้องไม่ประมาทรีบเร่งหาคุณงามความดีใส่ตนหามรคหาผลให้กับตนไม่ได้อะไรได้โซดาบันก็ยังดีหรือได้ส ก, กิทาคามีได้อนาคามีก็ยังดี ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็เลยวก็จบสิน้นทุกทั้งหลายไม่มีแล้วในใจของผู้นั้นดับทุกขได้แล้วเราจะดับทุก์ได้เราก็ต้องเห็นความจริงว่าตัวตนของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นทุก คือทนอยู่ในสภาวะอย่างเดิมไม่ได้ไหลเรื่อยไปดูแต่ตัวคนเราเป็นไงเราเกิดมากก็เป็นเด็กถ้าไล่เข้าไปทุกท้องแม่ท้องมารดาก็เราเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวมาเกิดวิญญาณเราลงยึดลงยึดถือเอาตรงนั้นแหละลงยึดลงถือเอา พอาจากขั้นมารดา ม, มาแล้วก็เป็นเด็กเล็กเป็นทาโลกมันก็เรื่อยมาจนเป็นปัจจุบันนี่นี่แหละต่อไปก็เป็นคนแก่ต่อไปก็เป็นคนเก็บคนตายเกิดเท่าไหรตายเท่านั้นนั่น ที่บ่าคนจะล้นโลกล้นแผ่นดิ น, นมันไม่ใช่หรอกแถวนี้ก็เห็นตายเกือบทุกวันเดี๋ยววันนั้นตายเดี๋ยววันนี้ตายเสียงระเบิดดังฮึบนั่นอ๋อตายแล้วไปตกลนโลกแล้วไปสวราเนเนาะเมื่อก่อนที่เราจะถึงภาวะเช่นนั้น เราต้องทำมรรคผลให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเพราะความเกิดเป็นคนนี่เป็นได้แสนยากเกิดเป็นคนก็ไม่ใช่ว่าสุขสบายกันทุกคนมันก็มีทุกข์อยู่มีสุขมีทุกข์สบายใจไม่สบายใจเราพิจารณาลงไปตัวเรานี่แหละ สบายกับตัวเรานี่ไม่สบายกับตัวเรานี่แหละเกิดมาแล้วก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้ทุกคนคือมีสุขมีทุกข์าเขากันไปในที่สุดก็มีตายเมื่อมีทุกข์แล้วก็เป็นอัตตาเลือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตา คือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดไปถือไปสำคัญหมายว่านี่ของเราของเราเราไม่สามารถจะยึดเอาได้ว่ากายนี้เป็นกายของเราตลอดไปอย่างนี้แหละไม่มีการแตกดับไม่มีการตายเลยเราลองพิจารณาดูสิญาตของเราผูญาตาทวดของเราก็าไปหมดแล้ว ไปแล้วบางคนก็อายุสี่สิบห้าสิบไปแล้วห0สิบเจดสิบไปแล้วเก้าสิบร้อยไปแล้วหายากมากคนที่จะถึงร้อยบ้านหนึ่งจะหาได้สักคนหนึ่งเลยทั้งยาก สองห ล, หลายหมู่บ้านถึงคนจะมีอายุถึงร้อยนะตัวเราก็ไม่รู้จะถึงเท่าไหร่เราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวของเราบ้างเราไม่ได้ตาก็ไม่ใช่ของเราแล้วหูก็ไม่ใช่ของเราจมูกก็ไม่ใช่ของเรา ลิ้นปากก็ไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแม้แต่กายนี้เราว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเราไปยึดไปถือเอาไม่ได้เราไปสาคัญมั่นหมายไม่ได้เพราะามันเป็นของที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือสลายไปในที่สุด ม่แต่สลาที่เรามาอยู่ปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันอีกแสนปีข้างหน้านี่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผูพังไปตามการตามเวลาส่วนพวกเราก็ไปแล้วโน่นสวรรค์ผมมาโรคนิพพานนะสิ่งไหนมีเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีดับไม่ว่าวัตถุภายนอกหรือตัวของเรา วัตถุภายนอกก็แตกสลายไปในที่สุดมันกันท่านจึงให้พิจารณารูปขันอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปน้ำบนใบบัวพอต้องแสงพาอาทิตย์ก็เหิดแห้งหายไปนมันไม่นานเลยนะ ถูกต้องกับแสงอาทิตย์มันก็หายไปเออแห้งไหายไปมันไม่ใช่ของยินยาวอะไรมากมายเหมือนน้ำบนลอยโคดท่นว่าโคมันหยยบพื้นดินไปแล้วมันมีร่องน้ำอยู่ฝนตกมาก็ขังอยู่นั้นแหละพอต้องแสงอาทิตย์ไม่นานเลย ก็เหือดแห้งหายไปเปรียบเทียบกับตัวของเรานี่แหละเกิดขึ้นมาเป็นคนอยู่ได้ร้อยปีเอาสมมติว่าร้อยปีก็แล้วกันเราอยู่ได้ร้อยปีก็ต้องแก่สลาภาพตายไปถ้าไม่มีโรคใครอย่างอื่นเบียดเบียนแต่ไม่แน่ไม่ถึงป่านนั้น เก้าสิบปีก็ให้มันได้เถอะพระนัทธันทจึงให้พิจณาที่ตัวเรารูปคันนันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่ให้หลงไม่ให้หลงยึดถือในตัวตวนนันนี้ว่าเราจะไม่ตายว่าเราจะไม่แก่ว่าเราจะไม่เก็บว่าเราจะไม่ตายให้สังเกตลงไปที่จิตของเรา เมื่อร่างกายแตกรดับกิจก็ออกจากร่างอันนี้ไปไปถือพบภูมิใหม่ถ้ายังมีกิเลสอยู่ถ้าไม่มีกิเลสก็เข้าถึงพระนิพพานก็ไม่กลับมาเกิดในพบไหนภูมิไหนอีกเลยเรียกว่าไม่เกิดเลยปางั้นเหอะความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่เราต้องได้รับอยู่ทั่วนันนี้แต่ยังหนุ่มยังสาวก็น่าตาสดใสดูตรงไหนก็น่าดูน่าชมแต่พอแปดสิบปีแล้วเก้าสิบปีแล้วความเป็นสาวเป็นหนุ่มนี่ก็หมดไป เหลือแต่ความเป็นคนแก่เพราะนั้นท่านให้รีบเร่งไม่ให้ประมาทก่อนที่พะงะ์เก็บบารีนิ้ผานพอก็ตัดเทศนาว่าขยะวิยะธรรมาสังฆาลาอัปปาเทนะสัมปาเทธาติพระพุทธเจ้าทรงผิดพระโอษฐเลยไม่พูดอะไรอีก เข้าฌานนี่ผ่านเลยอภิมาเทนะสัมปาเทถาติไม่ให้ประมาตก็คือให้ทำคุณงามความดีให้ได้เราอย่าหยุดอยู่เพียงว่าเออเราได้ทำแล้วพอแล้วได้แล้วไม่ไม่ใช่ต้องทำจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือได้เลย ไม่ว่าใครท้งนั้นยึดถือเอาไม่ได้เลยเมื่อไม่ยึดถือมันก็วางพอมันวางอาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปถ้าวางได้เหมือนคนล่วงมือเข้าไปในโพงไม้เนี่ยไปกาจัดชนิดหนึ่งเข้าตรงคอพอดี ดึงออกมาเอาเห็นเป็นงูทิ้งรับทันทีเลยกิตเราทิ้งทิ้งความยึดความถือทันทีพอรู้ว่าเอาอันนี้เป็นทูกอนวางพับทันทีเลยมันก็ไม่เข้าไปยึดถืออีกเราพยายามปฏิบัติให้มัน มีมากมีผลเกิดขึ้นได้ขันไหนก็เอาตั้งใจมาปฏิบัตินี่ก็ตั้งใจมาทำความดีเต็มที่หนึ่งกว่าจะมาได้ไม่ใช่ว่าจะมาได้ไง่ายๆมันต้องสังคายนาหลายอย่างทั้งครอบครัวลูกเต้าการเรียนการสอน หน้าที่การงานต่างๆแล้วจึงมาได้เรามาปฏิบัติถ้าเราจับหลักได้มันก็ไปได้ไหวถ้าจับหลักไม่ได้มันก็ช้าเริ่มทหารกิจให้เป็นสมาธิ พอจิตเป็นสมาธิแล้วเขาให้พิจณากก่นี้เอาตรงไหนเป็นผู้พิจนาเอาตรงที่จิตเป็นเอกกับค่าอารมณ์คือมีลมอันเดียวมีอารมณ์อันเดียวหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าจิตเป็นหนึ่ง คือมันไม่คิดนึกไปทางนั้นทางนี้มันอยู่นิ่งเอาตัวนั้นแหละไปพิจารณาเทศนี้ก็ให้เทศให้พิจารณานัเนี่ยให้พิจารณาพิจารณ า, าจนเห็นจริงเห็นความจริงจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆและมันเป็นอนัตตาจริงๆรงันก็วาง วางความยึดความถือทั้งหมดทั้งสิ้นได้ในขณะกิจเดียวท่านเองมันไม่ได้สองสามขณะกิจมันแว บ, บเดียวท่านเองก็เป็นอริยบุคคลขึ้นมาได้ทันทีความยึดความถือของเราก็ลดลงตามขั้นตามภูมิถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็โชดะบันก็ได้ 25% อร์ เราละทุกออกจากใจเราได้ยี่ห้าเปรซนเราละกิเลสได้ย5ห้าปซนถ้าได้สกิทาคามีก็ลดความทุกจากใจของเราออกไปจากกายจากใจของเราออกไปได้ห้าสิบเอร์ซนถ้าได้โสราวันเนี่ยได้ยี่้าเปอร์เซ็นต์ สกิทาคามีได้ห้าสอร์ซนาคามีได้เจดอรซนต์อารหันได้ร0อยเปอร์ซทุกกายมีอยู่ทุกใจไม่มีทุกใจของผราอารหันไม่มีแต่ทุกกายมีอยู่ เจ็บนันปวดนี่นั่นมีอยู่เจ็บหลังปวดเอวเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้มีอยู่พราะถือขันอันนี้ถ้านที่ว่าขันนี้เป็นขันสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายเมื่อกระทบกับความร้อนความเย็นความหนาวความหิวกระหายนั่นนี่มันมีอยู่แต่ว่าความทุกข์ใจไม่มี กิเลสที่จะทำให้ทุกข์ใจมันไม่มีถ้าเราวางได้ถึงขั้นนี้เราก็เป็นผู้มีกิจบริสุทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซนต์เราจะสามารถทำได้ทำถึงไหมถึงที่สุดเนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อผู้โลกไม่ใช่สอนเฉพาะคนอินเดียอย่างเดียวสอน จะลพิกเวจาริกังพหุชนาหิตายะพหุชนาสุขายะโลกานกรรมปายะจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกพรุทธเจ้าสอนพระหกสิบรูปให้ไปเผยแพย่ศาสนาอย่าไปทางเดียวกันให้ไปคนละทิศละทาง ศา ส, สนาของพระองค์นั้นเพื่อกุลแก่ชาวโลกไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อชาวโลกเพื่อโลกเพื่อคนทั้งโลกถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นหรือคนเหล่านั้นก็จะถึงความสุขความเจริญได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกข์ไม่ชาติไม่เลือกชาติชั้นวันะ ไม่เลือกผิวไม่เลือกสีอยู่เนื้อความถือมัน่นความยึดความถือทั้งหมดอยู่เนื้อหมดอยู่เนื้อความยึดความถือนะจิตมันวางมันรู้ความจริงมันถือวาง ถ้ามันไม่รู้ความกิ่งมันก็วางไม่ได้เราปฏิบัติไปก็ได้บุญอยู่แต่มันวางไม่ได้เมื่อมันวางไม่ได้มั น, มมนก็มีทุกข์อยู่มันจะมีการเกิดการแก่การเก็บตายอีกหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันหลายครั้งหลายหนทุกขาชาติปุนาผูนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่าไปทุกข์ไปเรื่อยๆ เกิดมาชาติไหนก็มีทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายไปเรื่อยแต่สำเร็จอาราหาันแล้วไม่มีการเกิดแก่เก็บตายอีกชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายการที่จะมาเกิดอีกก็ไม่มีทุกข์หมดแหละหมดทุกข์จากใจแล้วดูเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละ ให้เห็นตัวเรานี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาให้เห็นชัดด้วยใจของเรามันก็จะวางความยึดความถือได้หมดถึงความสุขความสงบความเยือกเย็นความเบากายสบายใจทุกอย่างแหละ ขอกิเลสมันไม่มีในใจเราแล้วอย่างน้อยที่สุดให้เราได้คุณธรรมสักชั้นหนึ่งก็ยังดีเป็นประกันไว้ว่าเราตายแล้วเราก็มาไปสู่ภูมิอันต่าปิดอบายภูมิได้แต่ในโรดรบันก็ปิดอบายภูมิไ ด, ไ ด, ด, ด, าาได้เรามาเกิดเก็ตชาติเราไม่ต้องไปเกิดในตระกูลมิจฉาทิถี ตระกูเห็นผิดจากตนองของธรรมคือในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิคือตระกูลที่มีความเห็นชอบเห็นดีดเห็นงามไม่เห็นผิดและเราก็ไม่ตกนรกด้วยตลอดเกศชาตนะิไม่ไปตนกนรกปิดอวัยาภูมิได้ ถ้าได้เป็นโสราบันแล้วก็อาวยายภูนก็ปิดเลยตายแล้วไม่ตกนรกถ้าเกิดชาตินะชาติพิเกตก็ดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ตั้งแกปฏิบัติก็มุ่งผลอันนี้แหละเป็นเบื้องต้นแม้เทศอยู่ก็ต้องการให้เข้าใจในตัวตนของเราอย่างนี้แหละให้เข้าใจให้เห็น เห็นชัดในใจของเราว่าความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นของควรกําหนดรู้กําหนดรู้ว่าโอ้ทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วหน่อแก่เราทุกข์นี้เกิดขึ้นแล้วหนอแก่เราต้องมีสาเหตุทุกข์นี้จึงเกิดได้ สางเหตุคืออะไรคือความอยากท่านแปลว่าตัณหาคำภาษาบาลีว่าตัณหาแต่ภาษาไทยของเรานี่คำว่าตัณหาหมายถึงผัวเมียม่ใช่มันกว้างกว่านั้นตัณหาคือความอยากความอยาก ความอยากมีอยากเป็นอยากได้อยา ก, ยากนั่นอยากนี่นั่นะตัวให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากถ้าไ ม, มไม่มีความอยากก็ไม่มีทุกข์หมดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระเทเรซองค์หนึ่งอาตมาไปนิมนท่านมาทำบุญทำบุญนวันนันเกิดของท่าน ท่านบอกกับอาตมาว่าอตาตมาเอาบาทเข้าไปถวายท่านบาทใหม่รองเท้าท่านว่บาทก็ไม่อยากได้รองเท้าก็ไม่อยากได้แม่ลมหายใจก็ยังไม่อยากได้ท่านว่าแม่ลมหายใจก็ยังไม่อยากได้ท่านเห็นชัดลเลยเลยรอว่าจะตายวันไหนท่านนองพอเห็นชัดแล้ว ไม่กลัวไม่กลัวความตายพอรู้ชัดแล้วว่าต้องตายรู้ชัดในใจเมื่อตายไปแล้วหมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปงหาบอุปทานขันห้าเนี่ยเหมือนหาบที่เราหาบอยู่ ถ้าเราโปรงระวางลงไปได้มันก็ไม่หนักไม่เหนื่อยมันก็เบาสบายขันห้าที่ตัวเรายึดถืออยู่นี่ก็เหมือนกันเรายึดถือไว้มันก็หนักเป็นดพาละหนักหนักทุกด้านเลย ไม่วาลุ่เวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องหนักทั้งนั้นแหละเราไม่ยึดไม่ถือมันถึงไม่หนักถ้าเรายึดเราถืออยู่มันก็ยังหนักอยู่ถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไม่หนักเลยเหมือนเราหาบอยู่เราโปรงเราวางได้ทุกข์ั้งหลายมันก็หมดไป ให้พยายามตั้งใจปฏิบัติยังไงยังไงก็ขอให้ผ่านไปได้เถื่อก็ยังดีแล้วเพราะว่ากวาที่เราจะมาได้มันไม่ใช่มาได้ไง่ายๆต้องจัดล็อกจัดเวลาอะไรต่างๆต้องสั่งงานนั้นงานนี่หลายเรื่องหลายอย่าง เมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องให้มันสมกับเราที่อยากมาให้มันวางได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซนต์ก็ให้มันได้สักยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซนต์ก็ยังดีเอาพุทธเจ้าก็ไม่ไตัดไฟหรอกแบบนี้อัตมา ก, ก็บัญญัติเอาภาษาสมัยใหม่เขาไปใช้เลย จะได้มองออกทุกมันลดได้ละได้ประมาณนี้แต่ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันมันไม่มีทุกข์หรอกในใจก็ทบอารมณ์อะไรมันก็ไม่วัดไหวมันไม่กระเทือนมันเบามันสบายมันอย่าเกินอยู่ภายใน กิจมันเต็มไปด้วยเมตตากรุณนหามุทิตาอุเบกขากิจมันมีแต่เมตตาเมตตามีเมตต า, ม, ม, ต า, ม, ม, ตามีเป็นมิตรภาพกับทุกคนไม่ว่ามิตรศัตรูมีเมตตามีความกรุณนาคิดอยากช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกอยากช่วยเหลือมุทิตา พอยินดีเมื่อเขาได้สุขหรือประสบความสเร็จเราก็ยินดีด้วยลูกเตาหลานเลนของเราเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วอยู่ดีมีสุขเราก็มุทิตาพอยินดีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่รักไม่ชัง จิตของผู้ถือทำมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันมีเมตตากรุณาบุติตาอเบขาสบายยินอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายถ้าเราปฏิบัติถึงแล้วเป็นอย่างนั้นบางคนอาจจะคิดเราโอ้ไม่อยากได้มากหรอกอย่าได้สักขั้นชั้รนระบานี้ก่ เหมือนผู้การนะ่บอ ก, กอาตมาตังต้งแต่ท่านมาใหม่ๆผู้ ก, การเจริญกาแก้วนำทหารมาขุดสายเพราะว่าในชาตินี้ได้ช่วยดวันก็พอใจแล้วทุกวันนี้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ในตอนนี้หนาแดงเลย หิวขาวด้วยสบายไหมใจสบายมันบนรรลุได้ทั้งครวาสและบรรพจิตหรือพูดง่ายๆว่าได้ทั้งพระทั้งโยมโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพระสงฆ์สามเณรพิสุสงฆ์สามเณรถ้าปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าก็บรรลุได้เหมือนกันหมด ปฏิบัติตามตรงไหนปฏิบัติสัมมาทิฏฐิทางที่ให้ดําเนินนะ่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบในอะไรเห็นชอบในทุกข์ในเหตุเกิดทุก์ในความดับทุก์ในข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกสังมาสัมมาสังกปะความดําดีชอบดำรีไม่พยาบาทดําดีไม่เบียดเบียน ดำหลีออกจากกามคําว่ากามหมายถึงทั้งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมวัตถุกรรมก็คือสิ่งของต่างๆบ้านเรือนรถ ล, ลาต่างๆเหล่านั้ น, น, นเรียกว่าวัตถุกรรมกิเลสกรรมก็คือราคะโทสะโมหะอยู่ในใจเราเราวางได้เราละได้ ไม่ดําหลีผิดดําหลีชอบคือคิดแต่เรื่องที่ถูกต้องเรื่องไม่ถูกไม่คิดสัมมาวาจาจิรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ สัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิใจเป็นสมาธิชอบให้ปฏิบัติอยู่แค่เนี่ยอย่างสมาธิก็มีชา้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีสสส่ถ้ากิจเราเป็นไปอย่างนี้ มันก็สามารถชำระเมื่อนำกิจที่สงบผลมาพิจารณาอัตภาพตัวตนอย่างที่อัตมาเทศมาแล้วนั่นให้เห็นชัดในใจมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้ก็เรียกว่าพ้นทุกข์ทงง่วงขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่ตอไปอย่าท้อถอยอ่ะเอาตอนนี้แหละ